เรื่องการไว้เล็บและตัดเล็บสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งไว้เล็บยาวเที่ยวบินธบาตหญิงคนหนึ่งเห็นจึงกล่าวกับภิกษุดังนี้ว่าเชิญท่านมาเสษเมถุนธรรมกันเถิดเจ้าข้าภิกษุตอบว่ายาเลยน้องหญิง เรื่องนี้ไม่สมควรหญิงนั้นกล่าวว่าถ้าท่านไม่เสพดิฉันจะใช้เล็บหยิกขวนเนื้อตัวเองแล้วส่งเสียงเอะอะเดี๋ยวนี้ว่าภิกษุรูปนี้กระทำมิดีมิร้ายดิฉันภิกษุตอบว่าจงรู้เองเถิดน้องหญิงลำดับนั้นหญิงนั้นใช้เล็บหยิก ค่วนเนื้อตัวเองส่งเสียงเอะอะว่าพิสษุนี้กระทำไม่ดีไม่ร้ายดีฉันคนทั้งหลายวิ่งเข้าไปจับกลุมพิสษุนั้นได้เห็นผิวหนังบ้างเลือดบ้างที่เล็บมือของหญิงนั้นจึงกล่าวกันว่านี้เป็นการกระทำของหญิงนี้เองพิสษุนี้ไม่ได้เป็นตัวการแล้วปล่อยพิสษุนั้นไป